จิตกับใจมันต่างกันจิตคือผู้คิดผู้สงสยัยผู้ปรุงแต่งใจคือผู้รู้ตัวแล้วนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกเรียกว่าใจดังอธิบายมาข้างตน้นเมื่อไม่อยากให้กิเลสมารบกวนจงอย่าคิดนึกทำใจให้เป็นกลางๆ วางเฉยเล่านิ่งอยู่กิเลสทั้งปวงก็จะไม่มารบกวนอีกต่อไป